بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل الله و السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى م الدين سلمت ا س ل ي م ا ك ث ي ر ا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال لنجكتي ا دا يودي برمان صنع سبده. เป็นเป็นข้อบังคับในการพักเสี่ยงผมตั้งใจที่จะมาบรรยายต่ออยากให้การบรรยายถึงแม้ว่ามันขัดขืนกับสิ่งที่แพทย์เขาแนะนำเนี่ยเจตนาก็อยากจะให้การบรรยายเนี่ยเป็นการบำบัดในตัวด้วยความเชื่อว่า พระผู้เจ้านี้ผู้ทรงให้โทษให้คุณกับทุกคนด้วยพระบารมีและพระบิดานุภาพและพระเดชอนุภาพของพระองค์เท่านั้นหมอและอุปกรณ์ของหม อ, อยาของหมอนี่ก็เพียงบัตรใจส่วนหนึ่งพระองค์ก็สามารถที่จะบำบัดพวกเราด้วยอนุมัติของพระองค์โดยที่ไม่ได้ผ่านกนไกนี้เลย แต่เราก็จะไม่ไม่ขัดขืนกับกลไกที่อลัลลอได้วางไว้ในการรักษาบำบัดก็คือไปหาหม อ, อก็ต้องไปหาหม อ, หมอให้ยามาก็ทานยาถ้าเราจะไม่ถือว่าที่สุดของการหายหรือการบำบัดเนี่ยอยู่ที่หมอรียาของหมอผมเคยนะป่วยเป็นไข้วัดใหญ่แล้วก็ แล้วก็อ่อนเพียมากไ่วัใหญ่นี่มันแบบเดินแทบไม่ไหวเลยแล้วตอนนั้นมีหมายนัดบรรยายลังเล ว, ว่าจะยกเลิกหรือจะไปบรรยายคือไปบรรยายนี่ก็มีอันว่าไม่เต็มที่่ะไปบรรยายแล้วก็ไม่ไม่อ่อนเพียแต่ผมเลือกที่จะไปบรรยายด้วย จิตนาเนียดว่าให้การบรรยายนี่เป็นส่วนหนึ่งของการบําบัดก็จริงด้วยนะครับด้วยไปบรรยายนิบรรยายแบบไอไ ป, ไปพูดไปอะไรอย่เงี้ยผมรู้สึกว่าทานยามาสองสามวันไม่ดีอะไรไม่ดีขึ้นเลยแต่หลังจากบรรยายนี่นะอัลลอฮฺให้รู้สึกดีขึ้นเป็นแบบเพราะยานี่มันเริ่มออกกฤตแล้วก็ได้นะ เป็นไปได้แต่ผมรู้สึกว่าการบำบัดเนี่ยมันมีหลายมิติที่พวกเราจะต้องค้นหากันจากแนวทางเดียรั Allah สุภานะวะตาลายมารวมถึงการแสวงหาความรู้ในยุคปัจจุบันการหาความรู้ที่นิยมกันในปัจจุบันก็คือการห า, หาความรู้สา ม, มัญ เพราะความรู้สามัญมันมีผลประโยชน์ที่มีแนวทางที่ชัดเจนมีขั้นตอนที่ชัดเจนมีเป้าหมายชัดเจนมีผลผลสมัมฤทธิ์ที่ชัดเจนมีตัวอย่างที่ชัดเจนคนเขาก็กยอมที่จะเสียสละทุ่มเทในการศึกษาเรียนรู้สามัญถึงจะทุ่มเทงบประมาณหรือความเหน็ดเหนื่อยหรือสุขภาพของตัวเองก็ยอม พอบันปลายของกันเรียนรู้สามัญเนี่ยมันมีผลประโยชน์ที่ประจักษ์สำหรับคนทั่ ว, วไปจะให้เรียนไปสมัครโรงเรียนนานาชาติเทอมละล้านสงล้านอย่างเงี้ยยอมขอให้ไปเรียนในโรงเรียนดังๆทงั้งเรงที่ก็รู้ว่ารู้ว่าลูกก็อาจจะไม่ได้แสวงหาความรู้จากโรงเรียนนี้อย่างเต็มที่แต่เพียงโรงเรียนดังแค่ เอ่ยว่าจบโรงเรียนนี้มันก็เบิกทางในชีวิตได้หลายอย่างนี่นี่เป็นเป็นเป็นแรีดในบ้างเราและอย่างที่เราเข้าใจกันเรายอมที่จะหาความรู้ประสบการณ์ชื่อเสียงจากค่านิยมที่สังคมได้กาหนดไว้แต่ความรู้ที่มันยั่งยืนแล้วก็สร้างผลประโยชน์ที่มั่นคงในชีวิตของเราทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าน้นอยคน เรียนเราจะให้เขาได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของมันการเรียนรู้ศาสนาคําว่าเรียนรู้ศาสนาเนี่ยไม่ใช่ในนิยามทั่วไปเนี่ยหมายถึงว่ า, าต้องไปเรียนปอนเนาะหรือต้องมาฟังบรรยายนี่หมายหมายถึงว่าแนวทางที่จะเข้าถึงความรู้เรื่องศาสนาที่จะทําให้เราสามารถมีคุณธรรม ที่คำสั่งสอนของศาสนาได้ฝากไว้กับพวกเราพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยให้อยู่ใกล้ชิดกับคำสั่งสอนนห้มากที่สุดอันที่จะนำมาซึ่งความพอพระทายของพระสุภานันทาในวันเกียม์มาอันเนี้ยผลประโยชน์เนี้ยที่มันสูงสุดแล้วก็สุดยอดสำหรับผู้ศรัทธาถ้าเทียบแล้วอะนะถ้าเทียบแล้วคุ้มกว่าคุ้มกว่า และตลอดประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้ศาสนาจะเป็นการเรียนรู้ที่ถูกที่สุดที่แทบไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอะไรมากไม่ต้องเสียค่าเทอมอะไรมากไม่ต้องแต่การเรียนรู้ศาสนาสําหรับคนที่รู้คุณค่าเนี่ยจะต้องเสียสละอะไรหลยอเสียสละเวลาเสียสละสิ่งสียงในสังคม เราเกือบทุกยุคทุกสมัยเนี่คนที่จะใส่ใจเรียนรู้เรื่องศาสนาเนี่ยมักจะถูกหมายหัวว่าเป็นคนงูคนที่ทุ่มเทกับการเรียนรู้ศาสนานะจะถูกหมายหัวเป็นคนที่ไม่รู้คุณและประโยชน์ที่ตัวเองต้องต้องเก็บเกี่ยวจนกระทั่งเป็นชะตากรรมของคนที่ เรียนสามัญไม่รอดนะก็ให้เร exactly. ียนศาสนาแค่กลายเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นนะอแต่ก่อนนั้คนที่เรียนศาสนาก็ไม่ว่านะแต่ถ้าเรียนเล็กศาสนาจะไหมมันมีให้เรียนสามัญมันดีกว่ามันมีอนาคตมากกว่านี่แค่นี้จนคือเราปล่อยเรื่องนี้เนี่ยจนกระดั่งคนดี จะเรียนศาสนานี้เสื่มเนื่องจากว่าเขาจะเลือกเรียนสามาัญกันอย่างเดีเยวแต่ถ้าใครไปเรียนไปเลือกไปเรียนสามัญแล้วไปไม่รอดนะอ๋อ น, นี่หัวไม่ดีให้ไปเรียนศาสนาซะประเทศอาหรับนี่มีธรรมเนียมลูกเนี่ยลูกถ้าครบเอางี้วะครบให้เรียนหมอเรียนวิศวะเรียนสามัญ น, นี่แหละ แต่ถ้าหากว่าพิการตาบอดหูหนวกอย่างเงียทรงไปศา ส, สนาแลยและนี่เหตุผลว่าทำไมรุ่นรุ่นก่อนเนี่ยผู้รู้ส่วนไม่ใสมากจำนวนเยอะนะตาบอดหรือพิการที่จริงมันก็มันกมนม็มีความผิดของสังคมด้วยที่ไม่เอื้อให้คนพิการพิการทุกด้านนะ ได้เรียนแบบอิสระเหมือนคนที่เอาไวะครบสมบูรณ์นะคนคนวิการเนี่ยคนตาบอดอย่างเงี้ยเขาจะไปเรียนวิศาวะยังไงไม่ไปเรียนแพทย์ยังไงไม่มีทางให้เขาไงไม่มีางพิสูจน์ความอริยะของเขาและที่เขาส่งไปเรียนศาสนาเนี่ไม่ใช่ว่าอ๋อเพราะเขาจะเรียนศาสนาหวัหวหัวจะดีศา ส, สนานี่ไม่ใช่ เรียนศาสนานี่ยเพราะวอ๋ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยก็หมายถึงวมาศาสนานี่เป็นทางเลือกสุดท้ายแต่เรก็ให้นะครับหลายคนที่เขาเลือกเรียนศาสนาเพราะทางสามัญนี่มันตันสําหรับเขาเนี่ยเพาะก็ใช้ชีวิตเขาเนี่ยดีกว่าพูดถึงดีกว่าเนี่ยนี่หมายานะถึงในาวัตถุนะไม่ใช่ด้านคุณธรรมนะ แต่ด้าคุณธรรมเนี่ยแน่นอนคนที่เรียนศาสนาเนี่ยจะได้เปรียบในการพัฒนาชีวิตด้านศิลธรรมคุณธรรมมากกว่าคนที่ไม่ไดเรียนศาสนาเลยแต่ถ้าหากว่าเรียนสามัญและเรียนศาสนาล้นั้นสุขยอดซึ่งมันเป็นสภาพควรเป็นสภาพที่ปกติสำหรับคนในสังคมทั่วไปควบคู่ไปเลยสามัญกับศาสนาไปเลยแล้วผมพูดอยู่ตลอดว่า การแบ่งแยกว่าเราระบบการศึกษานิตรเกะนู่นนั่นก็คือสามัญกับศาสนาใช่และที่หลังเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออมันมันมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์ก็เลยผลิตแนวทางการศึกษาอีกแนวทางนึงก็คือบูรณาการปนศาสนากับสามัญ มันก็เป็นวิธีทางที่ดีระดับหนึ่งที่จะให้คนบางคนอาจจะหาโอกาสที่จะรวบทั้งสองอย่างถ้าเขาตระหนักว่าสามัญเขาอยากได้ศา ส, สนาเขาอยากได้ซึ่งส่วนมากแนวทางเนี่ยแนวทางการศึกษาในส่วนมากในพื้นที่ของมุสลิมส่วนมากไม่ค่อยมีนะครับในในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ย ที่จะบูรณาการให้เรียนศาสนาควบคู่กับสามัญซึ่งเราได้ผ่านขั้นตอนการแยกศาสนาออกจากสามัญมาหลายร้อยปีแล้วเป็นฝีมือของจักรวรรดินิยมศัตรูอิสลามที่คอยที่จะบั่นทอนความแข็งเกร่งของอรารยธรรมอิสลามด้วยการบั่นทอนระบบการศึกษา การศึกษาเรียนรู้ศาสนาจึงเป็นหน้าสำคัญอยู่แล้วแต่สมัยโน้นน่ะเขาไม่แยกกันเลยนะอิาบาุลควมเนี่ยศึกษามีอาจารย์เป็นแพทย์เป็นเภสัชมีวิศวกรรมอิมาบาดเจมียนี่เคยเรียนภูมิศาสต์เรียนเขาเรียกอะไรคำนวณนนะดาราศาสตร์แต่ก่อนโน้นเขาที่หมดเลยและใครที่อ่านประวัติศาสตร์ ชีวประวัติของอุลามาในรุ่นก่อนเนี่ยหลายคนนะครับเริ่มต้นชีวิตของตัวเองอนะเรียนสามัญแต่รู้สึกกระหายว่ามันไ ม, ม, นไม่มันไม่ตอบโจทย์ต้องเรียนศาสนาไปด้วยอิบนุซีนะ่าไม่มีใครไม่ไมรู้จักอิบเนซีนาะที่เรารู้รู้จักอิบนุซีน่าเนี่ยในฐานะเป็นแพทย์คนสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ ทุ่เนี่ยเพราะหนังสือของท่านเนี่ยตำราที่ท่านได้เขียนไว้เนี่ยตำราเพียงตำราเดียวนะอฟเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อัอัลกานูนอัลกานูนหนังสืออัลกานูนของอิบนเนี่ยใช้เป็นตาราเรียนศึกษาในมหาวิทยาลัยประเทศตะวันตกหลายประเทศแปรอยปี แต่โรบีแต่ส่วนมากคนไม่รู้ว่าอับนุซีนนั่นเอนอกจากว่าเป็นแพทย์ท่านเป็นขัติเด้ดวยนะท่านเป็นฟัคีฟัคีนี่แปลว่าเชี่ยวชาญด้านฟิกข์นิติศาสตร์อิสลา ม, มาสแสดงว่าไอ้แต่เขาถ้าเป็นผู้รู้ศาสนาเนี่ยท้่จะเป็นแพทย์มันนึกไม่ออกนะทีปัจจุบัน น, นนั้นนึกไม่ออกอาจารย์เขาบรรยายเรื่องนิติศาสตร์อิสลามแล้วก็ตอนเย็นก็ไป เป็นหมอไปรักษาโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเอมถ้าต่อปัจจุบันนั้นนะมันเราจินตนาการไม่ได้เลยแต่มันเป็นเรื่องที่ควรควรเป็นแบบนั้นควรเป็นแบบนั้นไม่ต้องแบบว่าเป็นทุกคนหำไมทุกคนทุกคนที่เรียนศาสนาต้องจำกุณอานต้องเป็นหมอเป็นวิศว์ไม่แต่มันต้องมีตัวอย่างที่เห็นบ้างนะซึ่งห้าสิบปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเริ่มมีการฟื้นฟูเรื่องเนี้ยแล้วก็เริ่มมี เริ่มมีคนที่เรียนสามัญแล้วก่านเป็นศาสนาก็รเลยทั้งสองได้เป็นด็อกเตอร์เป็นหมอหมายถเป็นเาติเอกหมอแล้วก็เป็นเาติเอกกฎหมอิสลามไปด้วยก็มีเหตุกอรีที่สอนคือรออาดสอนกุรานสอนตับซีรและเป็นวิศวกรเป็นนักบัญชีอะไรเงี้ยอันนี้เริ่มเราเห็นเยอะขึ้นในโลกมุสลิมก็อยากจะฝากไว้ พเรามีหลายคนที่เป็นนักศึกษาหรือหลายคนที่ภูมิหลังของเขาเนี่ยทำงานหรือเรียนมาด้านสามัญอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่สังคมอาจจะมองว่าเราอาจจะเป็นคนแปลกประหลาดว่าไอ้คุณเกี่ยวอะไรกับศา ส, ะสะนาคุณเกี่ยวอะไรกับศา ส, ะสะนา เราอย่ามองว่าเป็นเรื่องแปลกมันคือเรื่องปกติของผู้ศรัทธาที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่สุดสําหรับพวกเราถ้าได้ชีวิตของเรานี่ได้มีเวลาได้มีโอกาสให้ศาสนานีความรู้ศาสนานีพัฒนาชีวิตอย่างที่ผมบอกตอนต้นรายการเทตนามาบรรยายจะได้บำบัด รักษาไปด้วยปกติแล้วเนี่ยถ้าผมพูดคุยธรรมดาเนี่ยพูดคุยประมาณห้านาทีเนี่ยก็พูดต่อไม่ได้แล้วแต่นี่ตอนบรรยายเนี่ยผมรู้สึกจริงๆนะตอนบรรยายเนี่ยหรือตอนสอนนี่จะมีพลังที่ไม่เหมือนเวลาอื่นๆเช่นเดียวกันในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องเชื่อถ้าเอาศาสนานี่มาประกอบชีวิตเนี่ย เราจะมีพลังของศาสนาของความรู้ศาสนามากกว่าโอกาสอื่นที่เราได้ใช้ชีวิตโดยไม่มีความรู้ศาสนาที่จะมาประกบชีวิตของเรา <Russian. S 1> ก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับยกอย่องืุนชมพี่น้องที่เสียสละบางคนก็มาทางไกลบางคนก็บางทีก็ลา ง, งานมาบางทีก็ <c oughs> บางทีก็ไม่ได้วีซาก็ยังมานะที่บ้านไม่ให้วีซาก็ยังมาได้นะบางอย่างเราจะไม่เห็นผลของมันในโลกนี้ทันทีแต่การที่เราเรียนรู้ศาสนานี่จะทําให้เราได้รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราได้ทําในหนทางอัลลอฮ์เนี่ยมันจะได้รู้ผลในวันเกียรติมา ดยเฉพาะในส่วนสวรรค์ชาวสวรรค์นี่ก็จะมาถามกันเอ้ยมาเข้าแล้วปรากฏตัวในส่วนสวรรค์ ล, ละอะไรที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในส่วนสวรรค์เขาก็ต้องถามดิเหมือนอยู่ดีๆไปเที่ยวที่ไหนเข้าใจเข้าไปพักโรงแรมหรูๆไปไปอยู่ในที่พักที่ ช่างสวยงามแล้วก็เจอเพื่อนเอ้ยเองมาได้ยังไงเนี Tin ่ยมาได้ยังไงคือนึกว่าเราฉลาดอยู่คนเดียวนึกว่าเก่งอยู่คนเดียวเอ้งมาได้ไงคนอื <c ười> <c ười> ่นเขาก็เขาก็ดูติกติกมึงเงินการแลกเลี่ยนไงที่มานี่มาเพราะมาเพราะอะไรมาเพราะกูฉลาดมาเพราะกูมีเงิน งา ม, มาเพราะพราะมีเวลามาเที่ยวอช่งยก็ว่าไปมาสิ่งแรกที่เราจะถามคนอื่นแล้วมาอยู่ในที่ทดีๆนี่มากันได้ไงชาวสวรรค์เนี่ยงี้แหละมากันได้ไงเรานี่ก็เอกใจในตัวเราเนี่ยเราเนี่เข้าสวรรค์ได้ไงเนียรร่ยทาไมเออรู้กับใจกูไม่น่าอยู่กูไม่น่าเข้าวสวรรค์เลยทุกคนนี่ก็รู้รู้ตัวแล้วบางทีก็เอกใจ คนเนี้ยนะเคนค น, นี้ยนะมาสวรรค์ได้ไงก็อยากรู้ใช่ไหะอยากรู้ดิไม่เห็นเขาขิงละหมาดไม่เห็นเขาอะไรเขาสวรรค์ได้ไงถือแลว้วต้องถามที่ก็นั่งคุยกันยังเงี้ยเป็นเป็นพันพันปีเนี่ยคุยเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องเดียวคุยคุยเพื่อสรรเสริญขอบคุณอัลลอฮ์ ที่ได้ให้โอกาสทำอะไรบางอย่างในโลกดุนยาเนี่ยที่ทำให้จุดหมายของเราเนี่ยบ้านปายเนี่ยได้มาอยู่ตรงนี้คุยคุยแลวคุยไม่หยุดเลยเหมือนคนที่ประสบความสาเร็จอะไรบางอย่างในชีวิตเห็นไหมไปที่ไหนก็คุยโอ้โหนี่ไอ้บวกดาราบวกเศรษฐีบวกอะไรเนี่ยถูกเชิญที่ไหนเนี่ยก็ถูกถามโอ้ท่านท่านรวยได้ไงอะ ไปรายการนึงท่านมีดังนีมีได้ไงถามคำถามอพนเกียมาเนี่ยเราจะมีโอกาสเจอคนหลายคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสเจอกันในโลกดุนยาีแล้วไม่เจอไม่ได้เจอคนเฉพาะคนร่วมยุคร่วมสมัยที่เรามีชีวิตร่วมกันในยุคเดียวกันเราจะไมมีโอกาสเจอกับอมตมีย สหาหับัยนี้จะกรท่านนบีมันก็อาจจะมีประเด็นเหล่านี้ถูกตั้งขึ้นมาในการสนทนากับคนอื่นบ่อยครั้งเพราะมันเป็นสุดยอดเขาเรียกว่ายอดฮิตประเด็นที่ควรพูดสำหรับชาวสวรรค์เข้าสวรรค์กันบะอะรทุกคนเขาก็ต้องมีสตอรี่มีเรื่องที่จะเล่าให้ค หนึ facing, ่งในเรื่องที่ชาวสวรานนี่เขาจะเล่ากันนะเขาจะกว่าอินนกุนกับลูาลินะมุชฟิกีนตอนที่เราอยู่ในหมู่คณะของเราครอบครัวของเราเพื่อนฝูงของเราเราเป็นคนที่มุชฟิกีนเป็นคนที่กลัวกลัวอะไรกลัวนี่นะกลัวกียร์มา nila กลัวหล่อและความกลัวของเรา nila تيهامي الله سبحانه وتعالى برود بران بعك أن قوم قوم رامي كونر فمن الله علينا و و ق ا ن عذاب السمو إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم شون قانون رامي فركت سما سما تيهم كك ندعوه دعاء الله การนี่เราจะกลัวอัลลอฮ์การนี่เราจะดูอาต่ออัลลอฮ์นี่ถ้าไม่มีความรู้ศาสนานี่เราไม่สามารถเข้าถึงสองประเด็นนี้ได้เลยหรือเข้าถึงแก่นแท้ของความยำเกรงความกลัวต่อละซุมานะวะจัลละกัสะสญญววันเอววันเกยมันนี่อย่างแน่แท้รวมถึงภาคปฏิบัตินี่เริง เ, ง, เงดูอา้วย่องอิบาดะอะไรต่างๆมันจะเกิดจากการเรียนรู้ศาสนานอย่างต่อเนื่อง ก็อาจจะมีเรื่องที่เราแลกเปลี่ยนสนทนาแล้วก็โอ้อวดเพราะวันเกี่ยมานี่ทุกอย่างโอ้อวดได้หมดเลยที่ห้ามโอ้อวดเฉพาะเฉพาะในโลกนี้วันเกี่มานนี่โอ้อวดเต็มที่เลยพอเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้คําสั่งสอนของพระเจ้าเรียนรู้ศาสนา เป็นสาเหตุที่ทําให้เราได้พัฒนาชีวิตเป็นสาเหตุที่ทําให้เราได้ทําความดีเป็นสาเหตุที่ทําให้เราได้ทําชิ้นงานชิ้นหนึ่งที่ Allah พอะไทยให้เราได้เข้าสู่สวรรค์ว่ขอดรู้อดอล์ฟสุภาพนาวมตาลาให้ดานเรียนรู้ต afsir การรวมตัวกันในบ้านของ Allah เงนี้ทุกครั้งเท่าที่เราสามารถทําได้เนี่ย ได้ประพฤติกันปฏิบัติกันด้วยความบริสุทธิ์ใจในหุนทางอัลลอฮ์แล้วขอให้มันเป็นหนึ่งเหตุผลหนึ่งสาเหตุที่ทำให้พวกเราได้เป็นชาวสวรรค์ของโลกสุภานุตลาโดยที่ไม่ได้ผ่านการสอบสวนหรือความทุกข์ทรมานในนรกแม้ทน้อยเอาน่ากลับมาซูรยูนสุส ช่วงอยุสิบห้าถึงยี่สิบเนี่ยเราได้อธิบายไปแล้วสองสามอายะเป็นทนหนึ่งของซูรุยูนสุสที่อัลลอฮุบ ب ح ا ن ه และ تعالى จะพูดถึงสภาพของมุชริกีนที่เขาตอบรับคุรานที่นบีเอามาที่สนายพวกเขาเขาตอบรับยังไงและนบีตอบโตเขายังไง และกุรอานให้แนวคิดกับเขาอย่างไรชาวมุชลินที่เขาแสดงท่าทีตั้งแต่แรกว่าเขาไม่พอใจในกุรอานที่ท่านนาบีนามาเทศนาแล้วก็เย้ยท่านนาบีนะเอากุรอานเล่มอื่นมาซักคำสั่งสอนอย่างอื่นก็อันนี้ก็ไม่ชอบเอาอย่างอื่นมามาสอนเราดีกว่านาบีก็บอกว่านี่ไม่ใช่เป็นอภิสิทธิ์ของของพระเจ้า นี่เป็นคำสั่งสอนของอัลลอฮ์ข้าพเจ้าก็ไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในคำสั่งสอนและที่จริงแล้วแม้กระตังการที่พวกเจ้านี่ไม่เอากุรตาแล้วก็ต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็สืบเนื่องจากว่าที่พวกเจ้านี่ไม่ยอมที่จะศรัทธาในเดชะลุาของพระองค์ซึ่งพระองค์สามารถที่จะ รับโอกาสการทสนาและการเข้าถึงพุทอานและเข้าใจพุรอานทั้งสิน้นแต่พระองค์ประสงค์แต่พวกเจ้านี่ไม่เห็นพระบุญคุณของอัลลอฮ์ที่ได้ให้โอกาสกับพวกเจ้าในการที่จะสถาปนาศา ส, สนทูตท่านหนึ่งแล้วก็เอาคาสั่งสอนพระนามของพระองค์นี้มาอ่านให้พวกเจ้านี่ได้ฟังมันมีโอกาสที่จะให พระของรอดเนี่ยได้ทัะลุหูและหัวใจของพวกเจ้าแล้วแต่พวกเจ้านี่ไม่ได้ใช้โอกาสนี้เลยแล้วก็ยังจะมามีลีลากับพระํารัสของพระองค์ซึ่งพวกเจ้าก็สามารถพิสูจน์ได้นี่ชีวิตของข้าพเจ้ากับพวกท่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยพิสูจน์ได้ว่าข้าพเจ้านี่ไม่เคยโกหกและไม่มีเจตนาที่จะโกหก ซึ่งสําหรับคนที่โกหกต่ออาหมานี่คนที่อุปนิมกเรื่องศัจธรรมกับกับอลหมานี่ถือว่าเป็นอชาชยกรรมที่แรงที่สุดรวมถึงคนที่ได้รู้ว่ามีพระดำรัตของพระเจ้ามาแล้วแล้วก็ปฏิเสธก็เป็นอชาชญากรรมเช่นเดียวกันคนที่โกหกต่อแล้วแล้วกัคนที่ไม่รับปฏิเสธคําสั่งสอนของร้องนี่ก็เป็นอชาชญากรทั้งคู่ ถ้าไม่จะได้แฟร์กับเข้าแงวะแต่ฉันโกหกนะฉันก็เป็นอาชญากรแต่ถ้าฉันพูดจริงแล้วกับพวกเจ้าไม่รับนะพวกเจ้านี่ก็อาชญากรเหมือนกันเป็นคนเลวร้ายเหมือนกันอันนี้ที่เราได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาในอายาสิแปดนี่เป็นอยาใหม่ที่เราจะเริ่มวันนี้อยาสิแปดนี่จะบูดถึง หลักเกณฑ์สำคัญของมนุษย์ในการกำหนดท่าทีชีวิตของเขาพี่น้องลองคิดดูสิก่อนที่จะเข้าห้องนห้องบรรยายใ ท, ที่มัสยิดที่มุสลิมเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่น้องเห็นไฟไหมต้ตรงนี้แล้วผมนั่งอยู่นั่งรอพี่น้องแต่ไฟไห ม, ม้เข้าไหมคือเรื่องแรกได้มีเข้าแน่นอน แต่ อ, อีกความคิดจะตามมานี่อะไรคนบ้าอยู่ในเนี่ยคนบ้าที่มันไฟไหม้แล้วนั่งทำอะไรอยู่ในทำไมอ่ะการที่พวกเราสนิทสนมกันอะรู้จักผมแล้วผมอยู่ในอยู่ในกองไฟเนี่ยมันไม่ได้ทำให้พวกเรานี่ได้เปลี่ยนทัศนคติต่อไฟว่ามันเป็นโทษสำหรับเรา มันอันตรายสําหรับเราทั้งนั้กธิพวกเราก็รู้ว่าเอาแล้วก็ผมที่สอนผมก็เป็นประโยชน์ผมก็เป็นให้คุณเหมือนกันไม่ใช่เหรอแต่การที่เราจะวัดคุณกับโทษเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ในตัวอัลลอฮฺกระ Buddhism b u น d h i s m สัญเาตยาณที่อยู่ในตัวมนุษทุกคนเนี่ยควรที่จะใช้เป็นเครื่องชี้วัดในด้านความศรัทธาแต่ต้องตรงไปตรงมาอย่าให้มันซับซ้อนต้องตร ง, ตรงไปตรงมาคนที่ให้คุณให้โทษและมีอำนาจในการให้ทุนให้คุณหรือให้โทษที่สุดของคุณและโทษนะผู้นั้นน่ะควรเป็นพระเจ้าพ่อแม่ให้คุณไหม แต่คุณของพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่ที่สุดของคุณไงมันถูกถ่ายทอดมาอีกรอบนึงเจ้านายที่จ้างเราให้เงินเดือ น, นก็ให้คุณกับเราแต่คุณของเขานี่ไม่ใช่ที่สุดคนที่สามารถให้โทษกับเราอันตรายกับเราผมมีอำนาจเนี่ยคนที่สามารถได้ทำให้เราติดคุกจับเราไปโยนในกองไฟ ให้ตายไม่ไปเลยเขาก็ส่งอันตรายแต่อันนั้นไม่ใชอันตรายที่เขาสร้างมาด้วยอำนาจของตัวเองอัลลอฮฺซุบฮานาะวะตาลาก็ได้ตหนีคนที่กําลังวิจารณ์อุตรานโอ้อุตรานที่นบีอามาที่สนานี่ใช้ไม่ได้ไม่เหมาะสําหรับเราไม่เอาหรอกนบีเอาอย่างอื่นมาสอนดีกว่าอัลลอฮฺกำลัง ตำหนิมาตรฐานของพวกเขาในการรู้อะไรที่ดีไม่ดีเพราะเากำลังบอกวุ่อานนี่ที่นบีซไม่ดีไม่มีประโยชน์เปลี่ยนซะพวกพวกเองนี่เรื่องรู้อะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มีโทษมีคุณพวกเองก็ยังมั่วอยู่เลยนล้วก็จะาอกว่า แล้วพวกเขาจะเคารพพักดีสิ่งอื่นไปจากอัลลอ์ที่มิได้ให้โทษแก่พวกเขาและมิได้ให้ประโยชน์แก่พวกเขาและพวกเขาจะกล่าวว่าเหล่านี้คือผู้ช่วยเหลือเราณที่อัลลอฮ์เจวด ท, ที่อารามขาบูชาส ก, การะกันเนี่ยอารามนี้ตั้งแต่นบีอิสมาอนะีลที่ได้ทอด ศาสนาของเราคนบีอิบรอฮีมแล้วทนบีอิบราฮิมสั่งสอนกับนบีกับลูกๆต่างคนนบีอิสมาอิลกับอิสฮักเขาก็สั่งสอนไปยังลูกๆเข้อนี้ย่ได้ตั้งภากีกับเลานบีอิสมาอิลได้เผยแพร่ศาสนาของนบีอิบราฮิมในคาบสมุทรอาหรับเพราะท่านนบีอิสมาอิลไม่ได้ไปอยู่กับท่านนบีอิบราฮิมที่เมืองชามมาอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่มักกะ และเผยพรศาสนาข่านนบีบรูฮิมข้าบสมุทรอาดับทั้งหมดเนี่ยคนที่เป็นชาวอาดับทั้งหมดเนี่ยนับถือศาสนาท่านนบีอิบรูฮิมละก็อิสมาอีที่ไม่เขารบสักการะอื่นใดจากอัลลอฮฺ سبحانه และก็ท่านนบีอิบรูฮิมอิสมาอีถึงท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเกือบสี่พันกว่าปีสี่พันกว่าปี ก่อนท่านนบีมุฮัมมัดจะมาที่สนาัยเป็นสามรอปีท่านละคืมายถึงว่าตั้งแต่นบีอิสมาีลยันตุฮัมมัดเนี่ยเกือบสามพกว่าปีนะชาวอาดับเนี่ยไม่มีเจวิตกบเนี่ยไม่มีเจวิตเพราะกบามีตั้งแต่สมัยนบีปรยินาบไม่มีเจวไม่มีรูปปั้นก่อนนบีจะทสนนนี่เพียงรปี เผ่าเผ่าหนึ่งชื่อคุซาคุซานี่เป็นหนึ่งเผ่าที่สําคัญที่อยู่ที่มักกะไซมานานแล้วก็มีพ่อค้าผู้ใหญ่คนหนึ่งในเผ่าเนี่ยชื่ออัมรอัมรอิมูลุไหอัลคูซาคนนี้เป็นพ่อค้าไปหมดเลยไปเยเมนไปเปอร์เซียไปโรแมนบอกว่าเอ๊ะเราข้ามสมุดอาหรับนี่อาหรับนี่ เราไม่มีอะไรประดับประดาที่นั่งทางเดินอะไรของเราเหมือนเนยเหมือนไปเปอร์เซียไปโรมันเนี่ยเขาก็เจอหมดเลยเข้าโบสถ์ก็เจอรูปปัน้นไปอนุสาวรีก็เจอต้องมีรูปปัน้นเข้าไปในวังของกษัตริย์เนี่ยรูปปัน้นเต็ไมไปหมดเลย แ, ลแต่แต่ก่อนไม่แต่ก่อนก็ทุกยุคทุกสมัยเนี่ยคนที่อยู่ในสภาพที่ด้อยกว่าเนี่ย เขาจะเอาคนที่เหนือกว่านี่มาเป็นตัวอย่างเรื่องอะไรอ่ะศาสนาสถานของเขาใ่มีรูปปัน้นของเราไม่มีเรื่องอะไรเราต้องมีบ้างเร่องมรู้นุลฮัยเนี่ยเด็กเรียนนอกไปทำการค้าที่โรมันเปอร์เซียเยเมนเป็นรูปปั้นเนี่ยซื้อมาบ้าง ซื้อมาบ้างแล้วก็มาแขวนทิกาบาเนื่องจากว่าสภาพศาสนาตอนนั้นน่ะมันเริ่มเสื่อมมากแล้วก็คือไม่มีความเข้งคัดไม่มีใครหวงแหนศาสนาก็เลยไม่มีการต่อต้านแขวนเออดีสวยดีเริ่มต้นจุดนั้นน่ะอา ม, มรุปนุโลให้นี่เอามาอาจจะไม่ได้เจตนาให้เขารพ บ, บูชาแต่อยู่ไปอยู่แล้วนี่มันก็ต้องมี เรื่องนี้มันตามมาเรื่อยๆมีแน่นอนมีแน่นอนหมูดิ่งยังมีเลหมูเดิง่งมีเริ่มเริ่มเป็นเรื่องท่องเที่ยวตอนนั้นน่ะก็เออก็ไม่เอะใจท่องเที่ยวดีสัตว์ดูน่ารักอะไรคนก็ก็แอกันไปไปเที่ยวไปดูไปชมครับรู้สึกเต็มใจละกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย ถ้าทางเนี่ยท่าทางเนี่ย ม, ม, มันต้องมีอะไรไม่ปกติไม่ปกติต้นไม้เวลาโตไม่ปก ต, ต, เ ต, ปกติเริ่มแล้วพวกผ้านี่ยผืนแรกนี่รู้ได้เลยรู้ได้เลยว่าต้องมีเรื่องแน่นมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของมนุษย์ที่ไม่มีหลักศรัทธาอยู่แล้วะนะ อะไรที่มันประหลาดอะไรที่มันเหนือกฎธรรมชาติเนี่ยเหนือมันไม่เคยมีอ่ะสัตว์ที่มันจะเด้งเด้งเด้งเด้งแบบนี้ไม่เคยมีอะเอาว่าเลยมันประหลาดหน่อยนะมันมันก็ต้องเอามาเอามาใช้เป็นเป็นเครื่องหมายของอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมบูชาในบีบอกว่าตอนที่ขึ้นไปเที่ยวุมีอาราเนี่ยเดหินฮัมรุบุนุลฮัยลุซัย ในนรกนั่นเป็นหัหินแล้วในนรกลากไส้ตัวเองรอบไฟในกองไฟในนรกลากไส้ไส้นิดถ้าลากออกมาแล้วก็หลังลากไส้คนไส้ออกแล้วนะยังมีชีวิตนะใช่ในนรกเนี่ยถูกทรมานแบบไม่มีชีวิตที่สมบูรณ์และก็ไม่ตายอย่างสมบูรณ์ลายมูตูฟีฮะวะลา ย, าย ไม่มีชีวิตที่ชีวิตชีวาที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ใช่ความตายของทรมานก็จริงงนะและยะมู้ตวไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่คือทรมานแบบเอาเอาน้ำเดือดนี่มาดื่มถ้าในโลกนี้เนี่ยสิบชั่วโมงนี่ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่รอดละถ้าไหมทั้งตัวนี่นะสองวันนี่ไม่รอดแล้วต้องตายแน่นอนแต่ในรุ่งนี้มันไม่ใช่ไหม่กันทั้งวันทั้งคืนไม่ตาย และไม่มีชีวิตที่สมบูรณ์อามรุบนุลฮัยอัลคุซัยเป็นผู้ริเริ่มตั้งแขวนรูปจวิต ร, รอบกาบะให้ชาวอาหรับได้บูชาสักการะอื่นจากอัลลอ์มันมีศาสตร์อันหนึง่งที่เขาจะศึกษาพฤติกรรมและความเชื่อของมนุษย์ผ่านการพัฒนา ด้วยกันละเวลาเนี่ยชื่อเอนโซโปลอจีเขาบอกว่าความเชื่อของมนุษย์เนี่ยที่ที่มนุษย์จะร่างขึ้นมาเองอะนะมันไม่ไเป็นไม่เคยมีความเชื่อที่เป็นก้อนเดียวแต่ถึงว่ามนุษย์คนนึงอะนะมันมันมาร่างความคิดทฤษฎีก้อนเดียวแล้วก็ถูกไปยแพร่เป็นก้อนเดียวตลอดไปไม่ใช่ ถ้าเป็นฝีมือของมนุษย์นนะคือจะสะสมสะสมเป็นความคิดที่สะสมดูนี่ทฤษฎีของมนุษย์ทุกค น, นก็เป็นแบบนั้น mm. อ่นศาสนาอิสลามอย่นี้มาศาสนาอิสลามก้อนเดียวมาในช่วงที่ท่านนาบีได้มาที่ศนา22ปีแล้วจบหลังจากนั้นนะ่ะไม่ถือว่าศาสนาลนะหลังจากนั้นใครจะมาเพิ่มมานะไม่ถือว่าศาสนา ถือว่าอธิบายถือว่าตีความแต่ไม่ใช่ศาสนาศา ส, สนานี่มันครบถ้วนและก้อนเดียวบูชาจัวิเนี่ยบูชารูปปั้นนี่เพราะความเทพอ๋อพวกโรมันพวกเปอร์เซียซึ่งเป็นแบบอย่างของคนในยุคนั้นนะ น, นะโอ้ก็ทำอะไรนี่ทำแบบดีแน่นอน ไม่ได้มีเหตุผลอะไรทางบัญญาเลยแต่มันก็ต้องพัฒนาไงเพราะอาจจะมีคนบางคนอฮ๊ยไม่เอาอ่ะจะให้ตามปเปอร์เซียตามโรมันอย่างเดียวกูไม่เอาอะนหัวแข็งต้องมีเหตุผลบ้างดิอืมหผลเจวิตเนี่ยมันช่วยได้นะมันให้โทษให้คุณหน้าเนี่ยตัวนี้นะแต่เองจะเดินทางไปไหนเนี่ยขอความคุ้มครองหนึง่ ง, อ ง, องเองไม่ประสบอุบัติ อันนี้เด่ะเองจะแต่งงานจะอะไรนี่นี่ให้มันแล้กกันทุกอย่างจะเรียบร้อยเป็นพัฒนาเรื่อยแลการพัฒนานี่มันก็อาจจะใช้เหตุผลที่กินกับปัญญาสำหรับบางคนเช่นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงว่าพาเจวิกทุกครั้งด่พอค้ามชาวมกาเนี่ยเดินทางไปเมืองชานไปยเมแนเนี่ยก็จะต้องโดนป้นบ้างมีขโมยมาไ้นี่บ้าง แต่บางรัมอยู่ครั้งหนึ่งพาเจวิตัวนั้นน่ะเอ้ยแต่โดนไม่โผูกมาเลยว่าเฮ้ยจริงด้วยเนี่ยล่าสุดเนี่ยพ่อกับลูกรถคว่ำคว่ำเล็กเลยนะออกมาเออไม่เป็นอะไรออกมานี่หอยหมดเลยเอาละโฆษณาเลยอันนี้หลวงนู่นนี่หลวงนี่นี่นี่เราดูใค้ดูนะอาจจะเกิดอุปัติเหตุเนี่ยนะ ไปชนบุรีแล้วก็รถคว่ำออกมาหัห้อยหมูเด่งมันเคยมาได้งานจตตุคามรามอที่มาจําได้ไหมอะไรนะอะไรนะกับเป็นเป็นการตลาดชัดๆเลยแล้วตอนี้อยู่ไหนอะ Allah กะลังบอกกับเจ้าไอ้รับนี้บอกว่ารู้แกนแกใจว่าบรรดาเจ้าเวทเหล่านี้เนี่ยมันไม่ให้ทโทษไม่คุณอะไรหรอกกับพวกเจ้า ขวาบูดู่นะเ ป, ป็เคารพปกดีมันเป็นสการะมันอื่นจากอัลลอฮ์โดยที่พวกมันเนี่ยมิได้ให้โทษแก่พวกเขาและมิได้ให้ประโยชน์แก่พวกเขาที่จริงมันก็เป็นประโยคเดียวกพ็พอนะมิได้ให้โทษหรือประโยชน์แก่พวกเขาแต่ต้องมาร่างประโยคซ้ําแบบเนี้ยเพราะมันเป็นกริยาสองกริยาเหยื่อดุ ร, รุ่มขวายฟาร์มเขาก็เลยต้อง เออให้ให้แปลตามคําตามศัพท์ในอายะก็เลยต้องดยคนก็จะแปลกใจว่าทาไมทําไมพูดเยอะอย่างนี้ทําไมแปลเยอะอย่างเนี้ยมิได้ให้โทษแก่พวกเขาและมิได้ให้ประโยชน์แก่พวกเขาคือถ้าสํานวนไทยเนี่ยกระชับหน่อยอะนะมิได้ให้โทษและประโยชน์แก่พวกเขาแต่อย่างไรก็มันก็พอได้หม่อันนี้ก็ ต้งเห็นใจคนแปลนะเขาก็พยายามที่จะให้คําแปลไทยเนี่ยมันสอดคล้องกับประโยคภาษาอังกฤษแค่นั้นล่ะครับมันไม่มีด้านศิลปะอะไรเลยแต่ก็มีนักแปลบางท่านเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่เห็นด้วยนะเขาบอกว่าก็ไม่ควรที่ควรที่จะให้สำนวนของภาษานั่นนะให้มันสวยงามตามสำนวนของภาษานั้นๆโดยที่ไม่ต้องคํานึงถึง วัตถุของสำนวนภาษาอับของกุศอ่านก็ได้เพราะคนที่จะอ่านภาษาไทยเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าภาษาว่าภาษาอับเนี่ยวัตถรมันเป็นยังไงมันต้องยังไงเลยไรแต่เขาจะอ่านเป็นภาษาไทยแล้วก็ก็จะอินกับภาษาไทยไงถ้ามันสวยงามก็อาจจะเกิดประโยชน์ในการเข้าถึงเนื้อหาที่สวยงามมากกว่าอันนี้เป็นทัศนะของเรื่องการแปลนะไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่แค่บอกกับพี่น้องว่าเออ การแปล น, นี่มันก็มันก็มีมันก็มีอะไรมีความเห็นที่แตกต่างกันได้นะแม้แต่ทั้งคำแปลนะมีความเห็นที่แตกต่างกันได้ก็มีที่เลวร้ายเลวซ้ํากว่านั้นนะคือเขาไม่ไดีเขารบสักการะเจเวิตเหล่านั้นเพราะมันเป็นพระเจ้าที่แท้จริงอันที่จรงแล้วนะ รู้แก่ใจว่าไม่ใช่พระเจ้านจริงเนื่องจากว่ามีตกะเดียวที่มันเด็ดขาดที่สุดว่ามันให้มันไม่ได้ให้โทษไม่ได้คุณแต่รู้ว่าไม่ใช่พระเจ้าเอาแล้วเป็นอะไรล่ะยากรูนฮะอุลัยชูฟะอุลัอินดะลอหแล้ววกเขาจะกล่าวว่าเหล่านี้เจ้าวนีเหล่าเนี้ยคือผู้ช่วยเหลือชูฟาอห์อินดะลอหนะอัลลอฮ์ชูฟาอห์ พระหุของชซฟิาฟชูฟานีมจะว่าเซฟา์ฟาลว่าสุลยาผู้ได้ความสุลยาเฟเอกปุตฟียหรือฟีอ่ออมัมฟีไม่มีนะเฟอีในโลกนี้นะคำว่าชซฟอีในโลกนี้นี่นะไม่มี เราจะไปอินื่อหามอเนี่ยนะมฮัมมัดอบดุอิดริสมูฮัมหมัดอัดอิดริสอับดุชาฟะอับดุลมุทัลิบตนด a g เนปูปูทุกคนเขานี่คืออับดุลมุทัลิปปูเดียวของกันนบี แค่น ja. ั entle, manchmal, ้นปู mà, ่ของอีิมามซาฟีนี่ชื่อชปู่ทวนนี่ของอิมามซาฟีนี่ชื่อชและเป็นธรรมเนียมในการอ้างนำสกุลเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยปู่นี่จะมีลูกเยอะใช่ไหมแล้วก็ลูกหลายคนเนี่ยก็จะเป็นต้นตระกูลหลายตระกูลเห็นตัวอิมามมุฮัมมัดอิบรีสเนี่ยมีปู่ที่เป็นต้นตระกูลของเขาเนี่ยชาเฟียเขาก็เลยได้กว่าชาเฟีย่างนี้เป็นธรรมเนียมธรรมเนียมในในในเลน ในโลกอาหรมาไหนท่าไหนพอา่าจะมาอ้างต้นตระกูลแรกเลยนะอ้จะไปถึงนบีเลยเช่นนบีเองนะนะปู่ทวดของนบีนี่ยชื่อฮาชิมเห็นนบีเนี่ยจะถูกเรียกจากต้นตระกูลแรกของดั้นเนี่ยมฮัมมัดอิบนอับดุลลอิบนอับดุลมุะลิบอัลฮาชิมฮชิมนี่รนี่ปู่ทวดรอัลฮาชิม คำว่าอาชีมีนี่ไม่มีนะจ๊ะาชีมีนี่ไม่มีนะปูัวชืหชิมอมนี่สมดีไม่มีนะวองค์น่ยไม่มีใครชสมัติแต่ปู่ทั่วงค์เนี่ยเสีอาบดุก็เรียก้ตั้งแต่กูนี่แหละสมดีแค่นั้นเองแนั้นอย่าไปเขาพเรานิยมอ๋อเรามื่อเร็วชาฟีอีแสดงว่าไอคนที่เรียกว่าชาฟีอีนั่นนะ สุดยอดเลยนะเขลืตั้งชื่อลูกชื่ออะไรชาวอีฮัมบละลีอันนฟีมีหมดเลยตัมบรณนีบายฮากีติรมิซีมีมีพวกนี้เป็นนามสกุลนั้นน่ะเป็นนามสกุลไม่ใช่ชื่อไม่ใช่นามหมายถึงว่าตรกูลนู้นน่ะไม่มีใครเราก็ตั้งชื่อชาววีนะตั้งชื่อติรมิซีนะติรมิซีนี่มันเป็นชื่อเมือง ชื่อมองนี่วันนี้ก็ยงดีอยู่ที่าชื่อติรมิติรมิลาคน้ก็มาจากเมืองนั้นก็เลยเรียกว่าติรมิดีไบฮักกีมาจากเมืองใบฮักเมือนกันน่ะอยู่โคราชันก็เรียกไบฮักีตับรอนีมาจากเมืองชื่อตับเบรียก็เลยเรียกตับรอนีแค่นั้นเรไม่มีชื่อไครในโลกนี้ชื่อตบรนีนะแต่เราเน้นจะกว่าเราให้เกียรต ผู้รู้ที่มีนาสกุลแบบนี้ก็เลยมาตั้งชือ่ออย่างงั้นเลย บ, บ้านเราเนี่มียุคหนึ่งอยากได้ ช, ชื่อแปลกๆอะชื่อพี่เมื่อตะก่อนรุ่นะอะเบรอฮิมอัมัดอะไรเงี้ยฮะมูฮัมมัดเนี้ยอลีอะไรเงี้ยพอเริ่มมามารุ่นรุ่นรุ่นใหม่นี่ที่ไปเรียนเมืองนอกกันนะเอ้เอ า, เอาแปลกแปลก เขาชกษัตริย์ไฟซอนน่มาเลยไฟซ้อนใหม่เพราะตอการ้นั่นกษัตริย์ไฟซอนนี่ดังพอมายุคกัดดาฟีเนี่ยพอันใหญ่เลยกัดดาฟีมาเยอะเลยกัดดาฟีนี่เยอะเลยมียุคหนึ่งอ่ะสังเกตนะสังเกตนะฮะอับดุลาในะัไม่ทันหลยก้อับดุลาีนี่ยกีนพวกเราไม่เคยมีอับดุอับดุบารานี่ไม่เคยไม่เคยนมกัน ผมมพูดอยงนี้นะซีซีบที่ผ้านไปแล้วเนี่ยสดัมมีนะจ๊ะมีสดัมคอนเดวีแล้วก็มีมีขันเี่ยมแต่นี้เฉพาะคนที่ไปเรียนมองนอกกันนะเขาจะรู้แต่ชาวบ้านชาวบ้าน่คนที่มีเรียนนอกนี่เขาก็ไปเรียนศาสนากันแต่ก็ไปที่นู่นเนี่ย ปฏิสิทธไม่ได้คนที่ปเป็นศาสนาเนี่ยเขาก็อยู่ในสังคมอาหรับเนี่ยสังคมอาหรับนี่ก็มีนักสแสดงมีดารามีนักร้องดังๆกระดูกชื่นชมคนนั้นงก็สวยก็มีคนก็ชอบมาอะไรเงี้ยสมมติไปชอบดาราคนหนึ่งชื่อนาจัวกลับมาเนี่ยพอแต่งงานมีลูกแล้วเนี่ยแอบตั้งชื่อลูกนาจัวไอคนนี้รอบๆเนี่ยอืมกูรู้มึงดังชื่อลูกสาวชื่อชื่อที่รัก จริงจริงอยากจะบอกว่ามาตั้งชื่อบุคคลสําคัญเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีความรู้ศาสนาจริงๆเนี่ยนะจะไม่สนใจพวกเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเช่นชอบเรื่องการเมืองเองอชเง่นชอบเรื่องคนเป็นดาราคนนักแสดงไ ม, ไ, ม ไ, มไม่สําคัญเลยสําหรับเขานี่คือสิ่งที่ต่ำช้าอยู่แล้วไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีที่สุดกับชื่อที่มีเหตุผล ด้านปัญญาไม่จะเป็นต้องื่อษาบะไม่ต้องเป็นไม่จะเป็นต้องชื่อน บ, บีแต่ตั้งชื่อเหตุผลเนี่ยเราเรามีเหตุผลที่อยากได้จากตัวลูกน บ, บีจึงส่งเสริมให้เลือกชื่อที่ดีสำหรับลูกลูกและคนที่ตั้งชื่อไม่ดีน บ, บีเคยเปลี่ยนชื่อให้เลยนะเปลี่ยนชื่อเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนชื่อนี่เพราะไม่ที่ปูย่าแต่ยาตั้งชื่อว่าอ้ดีแล้วมูฮัมมัด ไม่ชอบดุลลอบดุลอาซยาอุบไม่ที่ทั้งหมดนี่มาจากชุฟอูน่านเขาจะบอกว่าเจวิตนี่ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงเป็นอะไรอ่ะเป็นตัวช่วยเป็นชซฟียเป็นชซฟีเป็นเป็น คนที่ชว่วยให้การวิงวอนการสักการะต่ออัลลอฮ์ต่ อ, Allah, ตอจ้านีนะสริผลอแสดงว่าเขาไม่ได้มองว่าเจ้าเวนี่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงใช่แต่เขาก็อิบะดาห์มันระเดอยู่ตรงนี้ระเดนไ่อยู่ที่ว่าตองเชื่อว่ามันเป็นพระเจ้า แต่ไดเชื่อว่ามันมีอิทธิฤทธิ์หรือเดชานุภาพเยี่ยงหรือเหมือนพระเจ้าที่ตัวเองเชื่อนะอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะคือชีวิตอิสสะน์บอกว่าห้ามตั้งพาคีหมายถึงว่าให้มีใครๆอะไรอะไรใครใครที่มีชีวิตนะเป็นคนเป็นแมวเป็นหมาเป็นอะไรอะไรอะไรที่ไม่มีชีวิตไม้ ก, ก่อนหินหินอ่อนเนี่ย ใครๆอะไรๆมีเดชานุภาพมีความสามารถให้โทษให้คุณที่มนุษย์ให้ไม่ได้ต้องมีเงื่อนไขนี้นะเธอเชื่อว่าเขาแบบนั้นนะนะนั่นน่ะคือตั้งปากีทําให้เข้าี่เหมือนพระเจ้าแล้วถึงแม้ว่าไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าถ้าเราเนี่ยมชีรลกแบบนี้นะก็แสดงว่า มันไม่ต้องมีอะไรที่แบบว่าที่เป็นรูปแบบรูปแบบเป็นโครงสร้างเป็นวิธีกรรมอะไรจะได้ถือว่าเออไม่ต้องาไม่ต้องมีเจวิตบนหิง้งแล้วก็มีพิธีเราต้องมามากราบไหว้าวาอะไรถึงจะได้กวดชริกบามดีในชริกเกิดขึ้นอย่างลึกลับโดยที่เราไม่รู้ตัวเชื่อในอิทธิฤทธิ์ของวัตถุบางประการว่ามันมีความสามารถที่จะทําอะไร ที่ไม่มีใครทำได้นอกจากอัลลอฮฺุาอานวดานนี่สิละเช่นตัวอย่างบันดาอาจิมัดโลหะเฮ้ยใส่แหวนนี่ดีใส่แหวนนี่แล้วรวยแต่ก็เชื่อเชื่อจริงนะต้องใส่และถ้าไม่ใส่เนี่ยวันนั้นขายไม่ดีเลยเฮ้ยเอากำไรนี่ผินออนอะไรพวกเนี่ยไอ อะไรสักอย่างนึ่นนงใส่แล้วก็รู้สึกแข็งแรงพอทอดแล้วนูรู้สึกรู้สึกอ่อนเพียเอคุณเชื่อแบบนั้นจริงๆมีไหมมีมีแล้วก็ทำการตลาดด้วยเหตุผลนี้ด้วยเหตุผลนี้เลยจะถูกหลอกได้ไงอ่ะเอาอจุย้ยเอารูปปั้นจากเมืองจีนเน่เป็นสิบสิบล้านน่ะ แะเชื่อโอ้ในในเงินเป็นสิบสิบล้านน่ะจะได้ขายที่จะได้ไม่โดนหลอกจะได้นู่นจะได้รุ่งเรืองจัขนาดนั้นเลยเหรอนี่ถ้าลูกมาขอสักล้านนึงคงไม่ให้นะแต่หมอดูมาบอกว่านี่จัมึงจีนเลยนะมึงจีนมึงจินมีอะไรอ่รมึงจินหนึ่งใน เทพเจ้าที่สั่งมาเนี่ยเทพเจ้ากวนกวนอูควนอูนอเป็นที่เป็นที่พระเจา้าแต่ก็รู้ถูกสังหารนะมงคนตรงไหนอะมันก็ผมม่นแปลกใจมั้งเอกใจมานานแล้วว่าบ้านเราเนี่ยคนที่ชอบมีบารมีอะไรเนี่ยก็จะต้องมีกนอู แต่คนอู๋นี่คือคือสิ้นสากอํานาจบา ร, รมีเพราะความความเยื่อยิ่งของตัวเองไงแทำไมจะมเอ า, ม, ามีมงคลตรงไหนก็ม า, มาแปลกเงนนอนนะถูกหลอกได้นี่เพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรที่มันหนักแน่นที่สามารถปรับความเข้าใจและความรู้สึกไงหลงง่ายอาล่ะก็บอกว่าพวกเจ้ากำลังวิจารณ์อุราน เฮ้ยนินาบเบามาสอนนี่ไม่มีประโยชน์แล้วพวกเจ้านี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาไม้เอาก้อนหินเอาอะไรเอาเหล็กโลหะอะไรมาแขวนดีกาบ้แล้วก็บูชาเอาบูชาเอาโดยอ้างว่านั่นน่ะมันมีประโยชน์พวกเจ้านี่ยังยังยังไม่ครบถ้วนเลยจะมาวิจาาณกุศลได้ไงเอาแล้วในเมื่อเจเวทเหล่านี้เป็น ผู้ช่วยให้ไอบาดาของเราเนี่ยได้ถึงอาะแสดงว่าเกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์อัลล์ก็เลยบอกว่ากุลอะตุนับบูนอัลลอฮะบีมาลัยะเลมุฟิลสเมวาตีวลา سبحانه وتعالى عما ش ر ك و ن จงก้าวติดตอโตโอมาฮ์มัดพวกท่านจะแจ้งข่าวแก่อัลลอฮ์ด้วยสิ่งที่พระองค์ไม่ทรรู้ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินกระนั้นหรือคือถึงว่า อ๋อ Allah ขอแจ้งให้ทราบนะว่าเจาเวิตเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ช่วยที่จะให้พวกเรานี่นะทํำอิบาระไดถึงพระองค์ได้เอา้าแล้วเไม่ได้แต่งตั้งใครเลยพวกเราไปหาผู้ใหญ่ท่านเนี่ยบอกว่าท่านครับเล ข, ขาของท่านเนี่ยบอกว่าให้มาคนไหนวะเล ข, ขาที่นั่งอยู่ปากซอนในในยเนี่ยใครวะ ไม่เข้าไหมไม่เรื่องก็บอกว่าคุณเรื่นี่อัลลอ์ก็ใครอะสุบฮานีใครอะนี่นจะงวดนี่ช่วยอัลลอ์กไม่รู้แล้วพวกเจ้าจะมาแจ้งในสิ่งที่อัลลอ์ไม่รู้แล้วมันจะเป็นจริงได้ไงถ้าอัลล์ไม่รู้หมายถึงว่าจะเป็นตัวช่วยได้ไงทั้งที่อัลลอ์ไม่รู้อัลล์ไม่ได้แต่งตั้งอัอไม่ได้สุบฮานะมหาบริสุทธ พระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์มหาบริสุทธิ์แด่พระเจว่าแต่ลาแห่วิญุชณริกูลและทรงสูงส่งเหนือสิ่งที่พวกเขาตั้งพาขีขึ้นอายะตัดมาก็จะมีต่อเ น, นื่องนะครับพูดถึงที่ไปที่มาของการเปลี่ยนแปลงความเชื่อของมนุษย์ตั้งใจว่าจะอธิบายสองอายะต่คงไม่ทันละจะได้สรุปว่า อันนลลอฮฺอสุบฮานาอวะดาลต้องการให้มนุษย์และนี่และนี่คือจุดแข็งของศาสนาอิสลามต้องการให้มนุษย์เข้าถึงพระเจ้าด้วยตัวเองไม่ผ่านตัวช่วยและจะวิเคราะห์อ้บาดาที่เราได้ทํากันนะทุกตัวเลยไอ้บาดาที่เราทำอนี่นะไม่ผ่านอะไรเลยเราอ่าบหนังสือละหมาดและเชื่อว่า การทําความสะอาดนี้ในเราได้จะทำด้วยตัวเองด้วยคําสั่งสอนเสีงว่าทําแบบนี้แล้งแบบนี้เนยนะคุณสะอาดแล้วมีสิทธิที่จะเข้าเต้าอ่อนแล้วแล้วเวลาเข้าเต้าอล่อนเนี่ยฉันต้องทอะไรไม่ต้องคุยกับใครก่อนเมี่ยกับใครไม่ต้องไม่ไม่มีเลยคุณทาตามขั้นตอนนี้แล้วก็เข้าเลยก็ถึงล้วีอินเสื้อหนาที่ไหนในมีแบบเนี้ยขอต้องมีอิบามาจะแล้วถ้าไม่มีอิบามันกระหม่อคนเดียวเะ ถ้ไม่มีละมาจะมัแต่มาคนเดียวก็ยังได้ยังถูกต้องครั้งแล้วฉนจะขออะไรอ่ะจะขออะไรบางอย่างในชีวิตของฉันฉันมีความทุกข์ฉันอยากจะให้พระเจ้าขอนี่นะก่อนที่จะขอเนี่ยต้องหัวแพะต้องขขมกต้องอะไรแล้วก็นู่นน่ะให้เส้นไหวให้เรียบร้อยแล้วก็ไว้ขอมันจะได้สิริมงคลแล้วก็ได้ สมสมหวังไม่มีเลอิสลามไม่มีขอนี้ก็ขอไปดิที่ไหนอะที่ไหนก็ได้ขอไปเลยขอขอจากหัวใจไปเลยยกไปเลยหัวใจที่เราต้องการนี่ยกบไปแอมรับสัมผัสนอนแล้วพระองค์จะได้ยินเลยานี่จุดแข็งของอิสลามว่าไม่ให้มี แล้ต้องมีนบีมุฮัมมัดมีบรรดานบีมีคนดีอยู่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ไหมโอ้อัลลอฮ์ด้วยด้วยบางมีของท่านนบีมุฮัมมัดนะสอลูกะบีนั้นต่ว่สัลลอะไรก็ขอไว้ศีลอะไรโดยท่านเองก็ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยแล้วมันจะดีห่อมันก็ไม่ดีเหมือนกันให้มีใครเป็นสื่อระหว่างเรากับอัลลอฮ์นี่นะไม่ดีเลยแล้วถ้ามันดีล่ะนบีก็ต้องสอนมาแล้ว บทดุอายที่ท่านนบีสอนนี่พี่น้องเป็นพันนไม่มีสักบทหนึ่งที่เรายกวไอ้ก่อนขอนี่ให้มีอะไรระหว่างเราก่อนละเราจะได้เห็นใจพวกเจ้าให้นบีมูฮัมมัดเป็นวาซิลาบรรดานบีอซูลทั้งหลายผู้ทรงบารมีบรรดาวะลีบรรดาผู้รู้ทั้งหลายที่มีที่มีวาสิลามีตําแหน่งสูงทรงนัอัลลอฮ์นี่อุอายของเราจะได้เข้าเข้าที่เข้าทางหน่อย เอาท่าไม่เลยและการที่เราได้สักการอิบานาอ์ลลแบบนี้นี่ถือว่าเป็นความรู้เก่นแท้ของความรู้เรื่องโทษและคนณที่แท้จริงคือเรารู้แล้วระหนักแล้วว่าผู้ที่จะให้โทษให้คนที่ได้ยิน่คืออัลลอฮ์มนุษย์ไม่ช่วยอะไรไม่ได้เลยเพี้ยนถ้าเพี้ยนอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะนี่นะที่อัลลอฮ์ได้ตำหนิ ไม่รู้โทษไม่รู้คุณอยู่ที่ใครถึงขนาที่เอาเหล็กเอาไม้เอาก้อนหินเนี่ยมาบูชาทั้งวันทั้งคืนแล้วก็สิ้นไหวเพื่อนําประโยชน์มาให้ตัวเองแล้วก็ผลักดันโทษและอันตรายออกจากตัวเองโดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยได้อันนี้ที่อายะสิแปดได้ตำหนิแล้วบอกว่านี่คือ เครื่องหมายบ่งถึงความเข่าและการที่ไม่มีสิทธิ์วิจารณ์คำสั่งสอนของอัลลอฮ์จึงได้รู้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเราจะได้สัมผัสกับสัจธรรมของ อ, อุษานิยงแท้จริงเนี่ยเราจะต้อง เราจะต้องถอดถอนถอดถอนทุกความเชื่อที่จะทำให้เราเนี่ยขัดใจกับคำสั่งสอนด้วยเหตุผลว่าความเชื่อต่างๆความรู้สะสมต่างๆที่มันเกิดในชีวิตของเราเนี่ย มันไม่ควรที่จะเป็นคู่เคียงเพราะมันเพราะมันจะเป็นชีวิตอีกระดับหนึ่งในการที่จะให้ความรู้ให้ศาสตร์ประสบการณ์บางอย่างเนี่ยเป็นมาตรฐานวิเคราะห์กุณอ่านความรู้เราประสบการณ์ของเราหรือคนคนอื่นเนี่ยมันจะแจวขนาดไหนที่จะมาให้ว่าเป็นมาตรฐานชี้วัดกุณอ่านว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกเป็นไ ป, นปนไม่ได้มนุษย์ถ้าอยากจะถึง ความยิ่งใหญ่ของอุไหแท้จริงนี่นะถอดเอาหมดเลยแล้วลก็เอากุศานนี้เอากุอานโดยที่ไม่มีข้อแม้ในสมองในหัวใจอ่ะนะแล้วก็ตัวอ่อ้อนวเนาะขอให้ฉันได้ถึงทุกความรู้ทุกส่วนที่พระองค์ได้ใส่ไว้ในกุอานใสไว้ในคํนสาคสั่งสอนเราขอให้ฉันได้ได้รับรู้แล้วเราจะได้มีโอกาสรับรู้ความรู้ในกุอานอย่างเต็มที่ ครั main main main well, i, i, ้งเมื่อเราได้ถอดถอนส่วนชอบของเราในด้านความรู้ประสบการณ์และกษัตริย์ต่างๆยิ่งทิ้งออกไปนี่ยังมียิ่มีโอกาสที่จะเข้าถึงกูฎายิ่งภูมิใจในศาสตร์ความรู้ประสบการณ์บางส่วนของเรามากกว่ากุฎานั่นนะกุอานี่ก็จะยืนอยู่งนอกในตัวเองนะเคียดตัวเองก่อนเคียดตัวเองก่อนมีพื้นที่ในหัวใจให้กุฎอ่านให้คําสั่งสอนนี่เข้าไป ยังโดดเดียวนะไม่ยิ่เข้าไปแล้วก็ไม่ต้องถ้าถ้าไม่ถ้าเราไม่ยินดียังไม่พร้อมที่จะให้คุณอาดเข้าไปล้างอ่ะนะเรามองสบู่ว่าเป็นสิ่งโสโครกเรานะ่ะมองสบู่ว่าเป็นโสโครกมีใครจะเอาสบู่นี่มาถูมือมะก็นในเมื่อมองสบู่ว่ามันเป็นของเหม็นของสปกปรกชาวมาล้างมือม คื่อสิพราะุณอ่านเนี่ยที่สามารถปรับความรู้สึกปรับความเข้าใจปรับความรู้ปรับศาตร์ประสบการณ์ทุกอย่างที่เราได้มานี่นะทั้งหมดนี่นะอยู่อยู่ภายใต้กุณอ่านให้คุณอ่านในเมื่อี้มาแล้วและนี่คือสิ่งที่จะทําให้พวกเรา ก็จะไม่บุกรุกเราในดายอัวิปดอัลฮัลลัทิให้อิจฉาภาพเี๋อัลล์นี่หมายถึงว่าให้มต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ใช่หมายถึงว่าให้อัลลอฮ์นี่เป็นศูนย์กลางในดุสิกทุกอย่างทวิปเนี่ยให้เขาในเรื่องแหล่งความรู้ด้วย อิบาดาศัพทการรับต่ออัลลอ์เต็มที่นะออบาดาต่ออัลลอ์อย่างเดียวแต่แลามาถึงความรู้นี่นะเรื่องเรียนรู้กุรอ่านเรื่องเรียนรู้ศาสนาเนี่ยมันจะมีส่วนอื่นที่ทจะเป็นมาตรฐานเหนือกว่ากุรุอ่านเหนือกว่าจึงจะตัดสินอ้นี่ไม่เหมาะนนี้ไม่ได้มีคนแบบนี้ก็มีนี่ยังไม่บรรลุอัตัวฮีดัลฮัลส ฮอลสนี่หมายถึงว่าเราให้ที่บริสุทธ์ที่สะอาดขขาวสะอาดคงต้องฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับว่าสุลลัลลอฮวาลาบีะมุฮัมมดวาลาะฮฺสซาลมมีคำถามไหมครับรรับผู้ที่ไม่เท่ากันเป็นเป็นสิ่งที่จะทาได้หรือว่าเป็นข้อนเป็นสาเหตุทำให้ครอบครัวมีปัญหาไหมครับถ้าไม่บอกใครนะ แล้วไม่แสดงออกนะไม่น่าจะมีปัญหาและไม่บาปเรามีภรรยาหลายคนรักบางคนมากกว่าไม่แสดงออกแล้วก็ไม่ต้องบอกคนอื่นก็จะไม่บาปไม่บาปไม่ผิดแล้วก็ไม่สร้างมีลูกหลายคนรักคนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่งแค่แค่รักในใจอย่างเดียวแต่ไม่แสดงออกคือไม่ได้บอกลูกฉันรักคนนี้มากกว่านี้อันนี้ผิดแล้วอาจจะส่งผลแน่นอน ความแตกแยกความความไม่ไม่ดีในครอบครัวแต่การที่เรารักใครมากกว่าใครนันไม่ผิดไม่าปแบทเรียนที่ได้จากจากจากในซบัท่านีกับท่านีติในเรื่องของการรักลูกรรนี้ก็เหมือนก็เหมือนที่ผมบอกอยากคุนี่ไม่ไดีไม่ไดีบอกไม่ไดีบอกแต่มันเป็นความรู้สึกของพี่พ พี่น้องของนบิยูซุปเนี่ยว่าบีดาของเขาเนี่อรักมากกว่ามันเป็นความรู้สึกของเขาแต่ตัวท่านนาบิยาคุปเนี่ยไม่ได้แสดงออกแม้กระทั่งตอนที่ท่านนาบิยูซุปได้ได้ฝันได้ฝันเห็นดวงดาวแล้วก็ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยสุญูดสูดไปเขาเนี่ยพอรู้เลย ว, ว่านี่คือความโดดเด่นที่อัลลอฮฺจะให้กับท่านนาบิยูซุปก็เลยบอกกับบีบีเดียไปเล่าเพราะ พี่น้องเขาเนี่ยเขามีเรอิชานมีอยู่แสดงว่ามันเป็นเรื่องของตัวพี่น้องก็ไม่ใช่ไม่ใช่ความบิดของท่านนบีอากรบทเรียนที่ต้องเข้าใจนะเอว่าแม้แต่ดังที่อัศบากในลูกลูกลูกของท่านนบีอากรบเนี่ยซึ่งทัศนะที่ถูกต้องเนี่ยเขาไม่ใช่นบีน่ะไม่ใช่นบีแต่พวกบรรดิส่วนเขาเขาเชื่อเป็นนบีมีทัศนะอุลมอฮ์างท่านในศาสนาอิสลามเนี่ยก็บางว่าเป็นนบีแต่ที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่นบี พฤติกรรมอะไรของเขาบางอย่างเช่นเรื่องอิจฉาเรื่องเรื่องที่จะพยายามฆ่าท่านนบีซุนนุชเป็นนบีทำได้ไงมันมันไม่ได้พฤติกรรมอะไรของเขาาก็เป็นคนคนทั่วไปถึงแม้ว่าเป็นลูกนาบีนะอแต่เขาก็อาจจะมีแล้วก็เป็นไปได้ว่าคือเรื่องลําเอียงเนี่ยบางทีเนี่ยเราสุดความสามารถในการแสดงความยุติธรรมแต่มันก็ต้องมีเรื่องรั่ว นะเรื่องรั่วเรื่องหลุดที่เราไม่ตั้งใจเรารักลูกคนนี้มากกว่าแต่พยายามไม่แสดงซื้อของให้เท่ากันยิ้มหอมแก้ม เ, เท่ากันหมดเลยทุกอย่างเลยแต่บางทีอาจจะมีอะไรหลุดเป็นไปได้แล้วก็เด็กหรือลูกบางคนก็อาจจะเซนซิทีฟเบาบางคิดเล็กคิดน้อยอะไรแบบนี้เป็นไปได้แต่เราทำหน้าที่เร า, เราดาูเราเนี่ย ที่เราทําเนี่ถูกต้องไหมยุติธรรมไหมอันนั้นทีสเพราะบางคนเข้าใจว่าอ๋อไม่ยุติธรรมกับลูกเนี่ยเรื่องธรรมาดาเรื่องในครอบครัวมันไม่เหมือนเป็นผู้บังคับาหรือไปตัดสินข้างนอกคนแล้วก็ไม่ยุติธรรมไหมไม่ไมยุติธรรมในครอบครัวเนี่ไม่ยุติธรรมระหว่างภรรยาหลายคนไม่ยุติธรรมระหว่างลูกหลายคนนี่นะมันเป็นเจ้าหรือเป็นรุ่น เป็นเป็นอธรรมเป็นความอาธรรมที่ท่านนบีสุลตาร์อเลสั น, น, นบอว่าข้าพระเจ้าจะไม่เป็นพยานในเรื่องความอธรรมแสดงว่าเป็นสุลุ่มเหมือนกันความไม่เป็นธรรมเนี่ยยิ่งความไม่เป็นธรรมกับ ล, ลูกๆที่อาจจะส่งผลระยะยาวให้เกียรติชังกันอิจาริสยากันเพราะความไม่ไม่เอาไหนความไม่ระวัระวังของ و م ا ن ا د ن ِ ي س ب ح ا ن ك ا ل ل ه م و ب ح م د ك ش ه د ُّ ا ل ل ه ِ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك و د و ع ُ ل َ ا ل س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م َ ا ل